เรื่องทรงอนุ ญ, ญาตให้ยกปฏิโมกขึ้นแสดงโดยย่อเมื่อชาวป่ามาพุกพ่านสมัยนั้นณนะอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลในวันอุโบสถนั้นมีชาวป่ามาพุกพ่านพิกษุูตรทั้งหลายไม่อาจยกปฏิโมกขึ้นแสดงโดยพิชดารจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าพิษสูทั้งหลาย เราอนุ ญ, ญาตให้ยกปาทิโมกขึ้นแสดงโดยย่อเมื่อมีอันตราย